มีหมอคนหนึ่งนะร่วมทีมผ่าตัดนะเพื่อรักษาเด็กชายคนหนึ่งนะซึ่งป่วยหนักแต่ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นนะเด็กเสียชีวิตคนะาเตียงเลยหมอคนนี้ก็เสียใจมาก เมื่อเดินออกจากห้องผ่าตัดก็ไปหาแม่ของเด็กคนนี้แล้วก็บอกขอโทษแม่ของเด็กคนนี้ก็ตกใจนะแล้วก็ทั้งเสียใจแล้วก็โมโหมากนะที่ลูกของตัวเองตายขามือหมอเนี่ยก็เลยฟออ้ฟองร้องฟ้องร้องค่าเสียหายพอเรื่องขึ้นถึงศาลนะปรากฏว่าหมอในทีมผ่าตัด ทุกคนเลยถูกฟ้องโดยแม่ของเด็กคนนี้ยกเว้นหมอคนที่ว่าทนายความเขาก็แปลกใจที่จริงแปลกใจกันหมดนะรวมทั้งจำเลยด้วยว่าทำไมหมอคนนี้นี่เป็นคนเดียวที่ไม่ถูกฟ้องทนายความไปถามหมอคนนี้ว่าทำไมคุณไม่ถูกฟ้อง หมอก็บอกตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยน ะ, ะแม่ของเด็กที่ตายหลังจากที่เกิดเหตุัตนายความก็เลยไปถามแม่ของเด็กแม่ของเด็กก็เลยให้ผลว่าที่ไม่ฟ้องก็เพราะว่าขอเป็นคนเดียวที่ใส่ใจใส่ใจในที่หมายถึงอะไรนะหมายถึงใส่ใจความรู้สึกหรือว่าใส่ใจความทุกข์ของ พูดเป็นแม่ที่เสียลูกอะไรที่ทำให้แม่รู้สึกว่าหมอคนที่ใส่ใจในความทุกข์หรือความสูญเสียของตัวสิ่งนั้คือคำขอโทษนะหมอคนนั้นเนี่ยเป็นคนเดียวที่ขอโทษแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะแล้วก็คำขอโทษนี่มันก็มีพลังนะหรือว่ามีผลกระทบต่อ ความรู้สึกของแม่เด็กแม่เด็กโกรธนะหมอที่ทำให้ลูกตัวเองตายแต่ว่าคำขอโทษของหมอคนนี้ก็ทำให้แม่เนี่ยคงจะโกรธไม่ลงโกรธหมอคนนี้ไม่ลงเพราะว่าเขามาแสดงความเสียใจเขามา แสดงความรับรู้ว่าเขาเป็นทุกข์กับการสูญเสียของแม่คนเนี้ยก็เลยนะไม่ฟ้องหมอคนนี้คำขอโทษนี่มันก็จริงๆมันก็มีแค่ไม่กี่คำนะผมขอโทษเนี่ยแค่สามคำนี้แต่ว่ามันสามารถจะช่วย ลดทอนความโกรธนะของอีกฝ่ายหนึ่งได้ทีจริงมันที่มันลดทอนความโกรธได้เพราะมันเป็นการช่วยเยียวยาเยียวยาความทุกข์ของผู้ที่สูญเสียไม่มากก็น้อยนะและมันก็เป็นคําที่สามารถที่จะเปลี่ยนท่าทีของคนที่กําลังเป็นปฏิปักษ์กัน หรือว่าเป็นคู่กรณีกันได้อย่างบางทีก็เรียกว่าข้คิ ด, คดข้ามไม่ถึงนะมีนักธุรกิจคนหนึ่งขับรถบนทางด่วนเขาขับรถอยู่บนเลนขวานะแล้วก็โดยที่ไม่ตระหนักว่ามันมีรถคันข้างหลังอยู่คันหนึ่งนะซึงพยายามเล่นเครื่องแล้วก็พยายามแซง แต่แซงไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยู่เลนขวาสุดท้ายรถคันนั้นก็แซงซ้ายพอแซงเสร็จก็กดแตรนะดังเลยนะแล้วก็เปิดหน้ า, เ ป, นาเปิดหน้าต่างตะโกนด่านักธุรกิจคนนี้นักธุรกิจคนนี้ก็โมโ ห, โหเฉยนะถูกดาน่งอยู่เฉยๆท่านๆทำอะไรเนี่ยมาด่าฉันก็เลย คิดจะเอาคืนนะขับรถไล่ตามนะเร่งเครื่องจนกระทั่งพอรถเนี่ยตีคู่ขนานกันนะักธุรกิจคนนี้ก็รถกระจกลงนะแล้วก็เตรียมตะโกนด่าในช่วงขณะ น, นั้นเองเนี่ยเขาเกิดได้คิดขึ้นมาแทนที่เขาจะตะโกนด่าว่าเป็นหมาเป็นหมูเข้ากับ พูดขึ้นมาว่าเนี่ยผมขอโทษรถอีกคันหนึ่งเนี่ยซึ่งตั้งท่าไว้แล้วนะเตรียมตอบโต้นะเพราะรู้วันเนี่ยเขาคงจะมาด่าคืนก็เตรียมจะด่ากลับนะรถกระจกลงเหมือนกันนะแต่ว่าพอเจอคำขอโทษของรถคันนั้นนี่อึ้งเลยไปเลย และแทนที่จะตะกลด่าก็พูดต่อไปว่าเนี่ยผมก็ขอโทษเหมือนกันเปลี่ยนใจกระทันหันเลยนะจากความรู้สึกโกรธนะพร้อมจะด่าตอบโต้นะกับกลายเป็นว่ า, าแสดงความาเสียใจนะถ้าเนี้ยไม่พอนะขณะที่รถตีคู่แล่นขนาดกันเนี่ยแทนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะ แล่นแซงนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็คงเร่งรีบทั้งคู่นะไม่งั้นไม่แซงกันหรอกแต่ว่าคราวนี้นี่ไม่ยอมแซงนะนักธุรกิจคนนั้นก็บอกรถอีกคันว่าเอาคุณไปก่อนเนี่ยรถคันนั้นก็บอกว่าคุณไปก่อนก็ได้กลายเป็นว่าเอื้อเฟื้อกันทั้งทั้ที่เมื่อคู่นี้ยังโกรธกันอยู่เลย แล้วก็คิดแต่จะแซงกันนะคิดแต่จะแย่งผิวถนนกันนะตอนนี้นี่กับเอื้อเฟื้อเจือจานให้อีกฝ่ายนี้ไปก่อนถ้าทีมันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปกระทันหันเลยนะนะจากการความโกรธเคืองถึงขั้นบีบแตะตะโกนด่านะมากลายเป็นมิตรนะเอื้อเฟื้อกันเปิดทางให้อีกฝ่ายไปก่อนอันนี้พราอะไรนะ ก็เพราะคำขอโทษนะไอ้นักธุรกิจคนนั้นเนี่ยนทีแรกเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งใจจะด่านะแต่จู่ๆนี่เปลี่ยนใจมาขอโทษแทนคงเพราะได้คิดว่าเออเราก็คงจ ะ, ะไปขับรถเนี่ยไม่ถูกต้องนะก็คือไปชิดขวานะในขณะทีะ่ไปขวาง รถอีกคันหนึ่งเอาไว้ซึ่งเขาขับได้เร็วกว่าก็คงรับรู้ถึงความรู้สึกนะหรือความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเองก็เลยรู้สึกผิดขึ้นมาพอได้โอกาสนะก็เลยขอโทษคำขอโทษนี่มันเป็นคำที่มันมีพลังนะในทางที่จะ บรรเทาความทุกข์บรรเทาความโกรธของผู้คนแล้วก็ลดความเป็นปฏิปักษ์นะแถมยังสามารถที่จะสร้างความเป็นไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าคนเรานี่มักจะพบว่าการขอโทษผู้อื่นนี่เป็นเรื่องยากแค่คำสามคำเนี่ยผมขอโทษหรือฉันขอโทษเนี่ยมันบางครั้งนี่มันออกมาจากปากยากเหลือเกินอันนี้อันนี้เพราะอะไรนะ วพราความรู้สึกส่วนหนึ่งเพราะความรู้สึกเสียหน้ากลัวเสียหน้านะถ้าขอโทษไปก็แสงว่าฉันผิดอัตตาเนี่ยหรือว่าตัวกูเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะยอมแล้วว่าฉันผิดนะเป็นธรรมชาติของมันหรือสัญชาตญาณของมันก็ได้ที่ต้องการแสดงว่ากูเก่งกูดีกูถูกกูแน่นะหรืออยงนย้อยกูไม่ผิดนะมึงต่างหากที่ผิดอันนี้เป็น นิสัยหรือธรรมชาติของอัตตานะแล้วมันก็สรนาเหตุผลมามากมายเพื่อที่จะปิดปากนะไม่เอ่ยไม่เอ่ยคำขอโทษทั้งทั้งนีบางทีก็รู้ว่ตัวเองผิดนะแต่ว่าไม่ยอมพูดออกไปเพราะว่ากลัวว่าจะเปิดช่องให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่นงานอย่างเช่นหมอเนี่ย หมอหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าขอโทษไม่ได้เพราะขอโทษแล้วเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งจะเอาเป็นเหตุในการฟ้องร้องนะว่าตัวเองทําผิดพลาดหรือไม่เชนั้นก็เป็นการแสดงความอ่อนแอนะสาหรับใครบางคนซึ่งคิดว่าเนี่ยกูแน่กูเก่งกูเข้มแข็งนะเลยเพราะคนที่เป็นผู้ชายนี่นะจะไม่ค่อยอยากจะแสดงความอ่อนแอนะทั้งที่ ไอ้กา ร, รขอโทษนี่มันแสดงถึงความเข้มแข็งนะความเข้มของกิจของจิตใจที่สามารถเอาชนะความเห็นแก่ตัวหรือว่าอัตตาได้นี่คนเราเนี่ยถ้ว่ารู้จักขอโทษเมื่อตัวเองทาผิดหรือบางทีไม่ได้ทำผิดโดยเจตนาแต่ตระหนักว่าการกระทาของตัวเองเนี่ยมันก่อความทุกข์ให้กับผู้อื่นนะ แล้วก็อยากจะแสดงความรู้สึกเสียใจมันก็สามารถช่วยเยียวยาอีกฝ่ายได้อย่างที่แม่ของเด็กเนี่ยเขพูดว่าเนี่ยหมอคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ใส่ใจนะใส่ใจความรู้สึกใส่ใจความทุกข์กของเธอนะในการการขอโทษนี่มันแสดงให้เหน็นถึงความรู้สึกนะถึงความใส่ใจในความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเกิดจากการกระทำของตัวเอง จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่แต่เพียงแค่การแสดงความรับรู้ใส่ใจต่อความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยอีกฝ่ายนึงได้เยอะเลยนะแล้วมันก็เป็นคุณกับผู้ที่เอ่ยคำขอโทษด้วยเพราะมันทำให้ความโกรธความเกลียดชังมันลดลงแล้วก็อาจจะมีความเป็นมิตรเกิดขึ้นก็ได้